เป็นป่านนักนักมาเรียท่านจะยืนนิน่งเพราะมันเป็นป่านนอกวันมันมานอกวัน่ะท่านเดินอยู่ภายในวันท่านจะยินสังคัดเกิดไหสิแล้วผมเข้าไปนูน่ทนท่านผ้าอันนี้ก็เห็นผมเข้าไปในป่าเผ้าอันี่ก็เห็นพอตอนนั้นท่านยืนตีก็ทีท่านอยู่นี่นทางผมออกไปอย่างนั้นอันนี้ก็จะเป็นลมทาง ใกล้เรู้ว่าแต่ทั้งนอกรั้วมันเป็นป่านี่เสือมันมานอกรั้วนี่ผมไม่ได้ว่าอะไรผมว่าเสือผมแน่ใจใครอะไรเท่านั้นแลยมีคนมีมีเสียงมันมาตรงท่านท่านหยุดเสียงอะไรมันเหมือนเสียงขนหนักนั่นเสียงขูดขูดขูดมาเป็นบทเป็นลายเงยเสียงเสือหนึ่งเสียงเห็นนั่นหนึ่งมันคล้ายกันแต่เสียงเห็นมันเสียงเบา ชือไม่เสียงหนักเสียงคนหนเดินเป็นบทเป็นบานมันเหมือนกันเสียงลกยุงก็เป็นเหมือนกันเป็นบทเป็นหบักแต่มันเสียงเบาชั่วชั่วไม่เป็นระเบียเสียงเหินกระเบาเสียงเสียงอะนี่เปนเสียงหนักชั่วชั่วชั่วห้า้านาแล้งเนี้ยสามหกได้ไหมหุ่นหนาขนาดนี้ห้ามันมาระวังมันมากเพอมันเคยมาเรื่อยๆนะคราบ ไปวันนตอนเท่าถึงร้อยมันมั่งงนี่ผมก็เดินมีกลมนประมาณสามทุ่มเนีเนได้ยินเสียงตะไครนะมันได้ยินเสียงคงก็ยินเสียงมาตะไครนะ่นี่เสียงนี่เสียงเสือนะลึกในใจแล้วไม่คลัวนี่ <c ười> อดูมันจะมาตรงนี้แหละทางสมันผ่านตรงนี้ทางทางกลมนี่มันผ่าน นอกร่วอ้อมร่วมกันนันคืเดินอยู่ในย่านเดียวกันที่มันจะผ่านมาเนี่ยแต่นี่ตัดทางกลมไปนี่ร่วมมันโลกนี้นะช่างเสียงมันหน้าเป็นบทเป็นบาทเราก็ก๊อกตั้งเราเนีนเดินอีู่นาเสียงไกลๆน้องนายไกลได้ไยินเสียงมันจะไกลเห็นเพราะั่นเท่านั้นถึงได้ยินแต่เรายังไม่ยินไกลเราก็ยังเดินกลมอยู่เสียงมันมาเดินแบบ ที่พอใกล้กเข้ามาใกล้กเข้ามาประมาณสักสิกวา่านิดผมก็เดินมาถึงทางกลางทางยุ่งงงนี่มันจะใกล้กเข้ามานะมันจะใกล้กว่าแท้แต่เพระที่ลูกนี้เพราะว่าทีมันเตียนมันก็ม่มีแค่นี้ประมาณสักว่าว่ากว่าทางยุ่งงงมันเตียนทางน้านั้นเป็นป่าหมดทั่วทั่วมาตรงนั่นมันกงจะมองเห็นผม เสียงมันดังมาโมฆาตราคาตอนมนเสียงดังพัดเกินพรมาถึงนันมันตามันคงเห็นเนีไยเห็นผมเพราะดีผมดุ่นไงเพราะมหาเถรนันดุ่นมันคงจะ ม, มองมาเห็นเพราะพอวันเราอยู่มันมันโล่งๆมาถึงนันเงียบเลยหมานใกล้ก็เทนทางน้อยนิด มันขึ้นว่าอะไรว่างนั่นก็มีมีพวกอนเพรามองเห็นไงมั่งเห็นชัดมอั่งเห็นอกแต่เรามอ่งผมไม่เห็นหรอกแตมันจะขึ้นเห็นอะไรไหมแล้วก็ยืนนั่นนิ่งมั่นและมันมาถึงนั่นมันก็หยุดเงียบเลยนะทั้งๆที่มันมาเป็นบทเป็นบาทท่านพอมาถึงนั่นท่านหยุดเลยหายเงียบเลยแสดงว่ามันมองถึงนเราแล้วผมก็ยืนอยู่นั่นโองานนะ สักสิบนาทีเนี่ยยืนนิ่งทัง้งตัวนิ่งเราไม่ไม่มองไปหามันแล้ะเรายืนกงรงระวังกรงหลับตานนตห น, นิ่งกาหนดดืนแต่เรามองเห็นมันเห็นได้ชัดเพราะมันอยู่กลางแก้งเราทางวงกลมวันหนึ่งเราก็าดูกระดิบมันก็รู้เพราะเราเราอาจจะกระดิบกระดิบบ้างให้มันรู้นา่ตราตรงนี้ถ้าลงด้กระดิบนี่เห็นเลยนะตามันดีมาก ท้าไม่ถ้าถทาง้านิ่ง่งนี่มันก็ไม่พอเห็นแต่นี่มันยูล่องๆอยนี้นันก็เห็นได้พอมาถึงนั้นเลยเงียบเลยผมก็ยืนอยู่นั่นตั้งสิบนาทีเลยหายเงียบตลอดเลยนะหลังกนั้นผมก็เดินกลมอยู่เดินเลยหายเลยตลอด <c oughs> ไม่ทราบไปทางไหนนะแหมเวลาออกไม่ได้ยินเสียงเลยนะมันถอยถอยกลับถอยกลับไปนี่ไม่ได้ยินเสียงเลยนะ มาถึงนั่นก็มาหมดตรงนั้นแล้วก็แต่นั้นเราก็เดินกลมกลับกลับออกมาเห็นก็จนเหนื่อยเลยเนี่ยหรือไม่สนใจก็มันี่แล้วก็เดินกลมต่อไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเวลาออกมาเราถึงออกมา้างั่นมากรรมกุศลแล้วท่านท่านไปเดินเดินกลมก่อนหลังเรานะท่านอยู่กุศลเราไปท่านอยู่กุศลเวลาเราเรากลับออกมาท่านมาแล้วท่านเดินกลมมาแล้วเราหน้าที่หลังเราไปก่อนหน้ากับทั้ง อาอันจามเดินมีคนมีสร้างเสร็จอนนบอกเือนแล้วว่ามันเสียงยังมันใส่หันบุมันบุกมันต่างขันจามตัวอเทียงบุ๊กหันค่อยสร้างยืนแล้วท่านใหญ่เลยก้อนหันแล้่เงียบหันแล้เงียบเลยอางนั้นคือจึงไม่ทั้งฝันอยู่ยินไปนามาหลังแล้วตอนนั้นขานจามเดินมคนมีหันเยอหันแล้วว่าโดยยิ้มว่าโดยยิ้มยังท้บุกคุณู้ชมบอกว่าใส่แล้วใช่ผูหันมันมัน้า มาถึงสามว่าหรอเว้ยวะมันก็ได้เงียบผมผมจะยืนมันจะซื้อที่มันได้หอเอางาผมก็ได้เดินกมจนกระทั่งไปนี่แล้ววามันไปหน่าปัญหาแต่ที่หน้ารู้ว่ะเป็นบันอยู่หุนองมากหน่ต้องหายไปไหนไนเพียงปัามาหลังเียท่านแจกผมเห็นเจอเสือล้าเว้ยนอกหมนวัวมันต้องออกไปวุ้งจับเนี่เสือแลนเดียว่ะผมมันค่อยเพราะย่างนี่เนียบหนึ่งเมื่อมันออกนีม่ไหมันแต่เรื่นะ ไม่ได้ยินเสียงเลยนี่เสือถ้าเวลามันมามันไม่ระวังมันเตือนมันบางทีมัก็มีคอมันเสียงเหมือนคอแมวเนี่ยคือว่าฟุมงพิมพ์ฟุ้งพิมพ์คอมันโอ้โหว่าฉันเสียงคนพูดดูยินทางไกลฟุ้งพิมพ์ฟุ้งพิมพ์เหมือคนพูดกันฟุมงพิมพ์ฟุ้งพิมพ์คอมันมันไม่ระวังมันออกมือนก็เสียงคอแมวพอมันระวังที่เงียบเลย เดินมาโยกก็ไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงมันเลยไม่ได้ยินเสียงเลยสัตว์ตัวนี้เนี่ยทําเวลามันเจ็บเสียงนี่ไม่มีนี่นะมันแอดใบไม้ขนาดนั้นนนาเออมันดอมออกได้วิธีใดเ่ะแต่มันหมอบมันไม่มอบหรอกมันไปเะถึงนั่นแหละพราะเราเดินมีกลมอย่นี้ผมบฟิร์นใจก็มั่นมันมันแฝดเพราะเราเราเชื่อถ้าเราไม่ได้รู้ว่าคนเนาะ เวลามันออกไปด้วยความระวังนี้ไม่ได้ยินเสียงมันเลยแหละขัดตัวนี้เนาะเหนมาแบบไม่ระวังแต่เห็นไปนยินเสียงอย่างเสือตัวนึงไม่เคยถูกเขายินเลยนี่มันเข้ามาซ้ำซากมาจิจ้มซากวัวซากยที่มันกัดตายแล้วมันกินอีโน่นไปแล้วเขาไปนั่งห้างมันมามันมาแบบตาย เสือขนาดหกตอกแต่นี้ยังไม่เคยลาดมาเสียงคงพามพงรามมา ต, น, ต, น, ตนบึกตนบาดมาถ้ามาโคหาสร้างนี้มันมันก็มาแบบเดียวแต่มไม่ระวังนี่คือเสือที่ยังไม่เคยถูกเขายิงถ้าเสือจะมันถูกเขายิงเคยถูกยิงแล้วโอ้ ห ม, มีเาหนีแกดูคนแกนจะแยกบ้านไปดีทางนทางสามผงทางจะเล่าให้ฟังฝุกขันดีแก่ะละคนหนึ่งที่ยินเสียจ ะ, ะ, จ ะ, ะยว่าจะเล่างเนเสียด้ย้ละเอียดออกมากนะแค่เป็นนาพันครูเนี่ยเขาเรียกครูคนทำเนี่ยตอนโตขั้นงก่นมัต่าเสียจะว่ามันกัดควายเนา เราก็เป็นนั่งห้างแล้วควนจะมืดแหละวพอหน้าแรงใบไม้เต็มไปหมดนี่นะมันอัศจรรย์จริงๆวังคันเจวานะคิดดูที่มันมาเรื่องความระวังเลือตั้เจ็ดตอกห้าตายได้เจ็ดศอกเรืยองหน้าขายิน พร้อมกันเขาจะยิงภาพกันยินพร้อมกันยินใส่กระบาลหัวมันมถือทั้งสองมันจะไต่กับถิ่นจนจะมืดเนี่ยพวกแค่เนาะจนจะมืดนกมันยังเห็นมันแต่เดี๋ยวเรยังไม่มืดว่าะงั้นเห็นไหมใาไมากก้มันจะเต็มมันมาทางด้านหลัง ทราบมึงทางนี้คนทหารหันหน้าทางนี้ได้ยินเสียงนกมั้งมันนกมันมันทักนะชี้แจงชี้แจงน้อหน่อยน้องน่อยทวงชีจงจังค่ะชี้ใจงจเยอเป็นสายมาเลยยินงตดิดไก่เจอปุ่นนี้เด็กนกพ่วงมาปุ่นเลยสีกันมากเลยน่มากเลยหนึ่งเสียนกเป็นทวอีกหนึ่มากเลยนกงมนั่นน่าานเขารูเดินกมันทัก นกยังนวน้อยเน่ยนกปันก็เดินเนี่ยมันพักคิดวจะคิดว่าจะเป็นแถวมาใกล้เขามามันนั่งักมาเอยมาใกล้แล้วก็เดกียมทาแล้ว่านหนึงเทียมหนึ่งท้องจับรนี้ท่านมันไี้ินเสียงนี่มันมทั้งดันหลังมากทา้งดันหลังเราแล้วสร้างมันแล้วมันต้องเผาสร้างเมื่อเราบนนั่งนิ่งอย่บนบ่ตีมันจะเห็นเราได้ยังไง นกพักมาเป็นแถวมาเตี้ยจนะทั่งคือเข้าถึงมากใกล้ก้นนี่เราเนี่ยนกยังพักมาเรื่อ ย, อยเป็นสายมากระนนกเห็นมาแต่เสียงมันบไปยินงเด้งขนาดนั่นเราโอ้เยเก็เสียงมันหีเลยะเหมือนแมวต่างเขาเดียวก็ตุ๊ตุบลุลุลตตบถึงสร้างเลย มันดูมันกับบอมมันคงสิบ่ล่ออยู่นัานพอฟังเสียงนกมันมันเป็นเป็นแถวม่เลยเนี่ยเสียงมันพักมาเรื่อยเรยมากเป็นแถวเป็นแถวอย่างนั้นมันบ่อยอเป็นพักแต่ทั้งหมนกพักทั้งหมดเลยเงียบที่หน้านเดอนกพักอยู่ที่หน้านั้นมาทักอยู่แสดงว่ามันมาร่ออันนี้มันค่องในล่อเพราเข้าใจว่านี่เขานั่งเฉยเลยถึงเวลาพักอันนี้หันเลย นกพักมาเลยเยอะยวบบมีย hmm. mm. mm ุทธลอดทางอถื่าเป็นหื่นาย้วเดกจสอบเี้ยหีน้าง้บหืนเสียง อย่างน้อยเงียบเลยนะเงียบถามในเรื่องท่านอาจารย์นั้นพ่อแม่ครูอาจารย์กันนี่พระหนึ่งกำลังลุกเส้นอยู่มัมันมาจากทางบ้านอไหนนี่ประมาณสามทุ่มเท่านั้นนะหือว่าโคงใหญ่มงนันมันมันทาเหมือนเสียงขอนนะเออมันแตกอยู่นะเสียงตักหลักตกลักตหลัก จนเพิ่นคงคิด่สิบปีแรกเพิ่นพูดหลงปากเพิ่นพูดรึเปลเพราะเป็นสัญชาติาิเป็กเพ่นเคยลินสี่งของว่าขอแก้วนัตลองนั่นบ่ค่อยมากลังเ็กค่อยมากบ่นดกเขาหัวตาหน่บอกไปบู่กันบ่านันพวกนี้ก็ถือเจียงข้อวนยู่หันตั้งยืมด้วยดีดีไปถือเียงหงกันน้ำาลสององค์ประยนะแต่ก็กิดห่วออกปหันท่องตา ข้อทาเนี่ยเสียงมันเงียบเลยขั้นจะใต่ไฟโดยเบืง้บงประตหูหัวยืนเบืง้งเบื้องมมีนังหนึ่งข้อนี่อยู่ับกันหน้ามีอนหนอกบนม่มีันี้เ่นเล็บเบาางเลยใบมือเท้าคนท่างประตูออกวินตบาบันมันอ้อมเลาะหัวน่ะมันเป็นช่างว่าทางังขั้วอย่งนงเลยมันหน้าหันหน้าประตูมัน้ำเขาก็ะตุ้ระตูนก ร, ร, รต้ไปเลยมั่งอ้อมไปนึ่ มันลอกตับลอกมันมันจะยึดมนแคี้หินแต่เกี่ยงเลยถ้าไปที่แรกอันนี้กรอกหลอกเลยมนเนี่เหมือนเสียงขอค่อยแึดกรอกหลอกกรอลอกลอกมานเหมือนเสียงคอยางมานี่ลอกพามันหลอกกินได้ลายกเ่อันหได้อกลอกลอกพาคนคนจาหลงกลมันไง มันกินแล้วก็มันสั่นนองแกนบอกแต่มันจนเนี่ยนี่มันคนตอที่ถือตะเกียงไปมันเห็นมันก็เลยหลบแต่งกันเสียแล้วงียบได้เสียงกอลแกลงทั้งหโทหนาวัดทั้งนั้นเห็นพ่อยเป็นม่ร่วมข้างบอลอบบนตบานโหนี่เหรอท่ากงขึ้นเนี่ยเป็นาพมก็งอยด้วยนี่นี่ก้าวลงขึ้นเดี๋ยวมองดโวบากกาแตกเลย นเดอ่กูเนี่ยวไหอรยนเาลงกมันเห็นี่นี่นู่เน่ยกกระดาน NO. head, um well. ละเังหมักกลบอกนนี่ละยเบง้ต้นไก่นต้นไก่ต้องทน้องผือมันก็เลี้ยวกันไมจตนไก่ดี่ดำหลายอย่างเลยย่างเตาเบียนี่จะเป็นเรยล่องเหมือนกวางก็เป็นกวางมันปีก็เรียกป เสียงกว่างอันนี้กับปีดเต็นแค่ขอนของจ้พวกค้นมันมันจีดแหลมนี่เลยสามค่ำนตอนห่างกัเสียงจเดอดป้วปั้วไปล่ะมันมันม่วแหลมนี่ตลอดมือเสียงกว่างเสียงกว่างหวเต้ยเต้ยกระบาดเสียงแหลมตลอดล่ะนั่งอันนี้มันเต้ยต้่อยบาดสามเลยสามไปแล้วเตปัวปัไปล่ะ มันทำหลายที่เลยหลงกลมันได้ดีดีเหมือนกว่าันจะเป็นเอาเอามันคนจะเป็นนี่นี่จะงหน้าหน่งัวอยู่หันสั่งงัวมันยังดู่ได้เขามาออาไปหลังยังดูดได้ นี <zh> ่เสือสองตัวเนี่ยเสือโงเนี่ยข้กําลังสีมืดถ้าราเอ่ล่ะถ้ามืดราดเองครับเออกนตนี้เพราะเออมันมีเออกลินรักถึงกเี่ยฮะเอัยังีหลอทั้งหนองหันอะไ่างเรี้ยพาหอทัง่นี้นะวะหัวมันจนมันคนแล้วเนี่ยตายมรู้มันหงอได้อะรักย ไมยังเ่จะเสือตีเนี่ยพกเขาจะอุตรากแล้วพออยู Zelda ่กครงหน้าอันละพอมีมึงกับป้าดงเนมันเอถึงคนนเออึใกล้เลนสร้างย่งยากเต็มเลยนะมึงกาถินพ้อมันนั่นเรียกวากันนี่ห็นันเออถึงใกล้เออถึงใกล้มีใกล้เขาใกล้เขาส้ารยกันของที่ทางวัดบกไก่เลย เออเขาใกลเ้เขาเอเขากลเขานั้นก็ได้เงียบเสียงน่ะมาถิ้นแล้วมามดมาสินยุกันนี่เป็นอย่างนี้นถ้ า, า, า, ถา เ, เหมือยยั ง, ย, งยุงเพ่งสงกลดมันเดยอันนี้นเราเืยตะพูดลองตเพ่งเ้างนี้แล้วนี่เพง ทองเพื่อนยูหันน่อยู่วันยุดคืออันแพดด้นั่นหรือว่านาหนุมเป็นผ่านหุบย้เก้อนตีเดแต้ั้งถึงชื่ขาเช่อยูวันจนก็อไฟจนห่อนยูหันน้เป็นเน้นตอนเป็นเน้นพบตอนมีเป็นพระละเปนางกันเป็นพระมาจน้งือ มันองค่หันเสือม่เขามันเด้วยนั่นตะกอนเขาจะพูดหรมันจะมานีแล้มาหนีห่อยมานีเข้าไปนําบึนมันจะหาหลอมาไปหาหลอตามวิตีไปดึงเสือก็ยินหมาพราะพ่อขู่ีเพื่อนมันจะไปทางลูกตีนะก็เห็นท่อนนาแต่เขาบ่ก้องไสมาลูกตีก่อนเคลียงหน่อยหนมันจะเป็นหมอด้วงนั่นมันจะเอาหางเนี่ยตีตีดิน บุบบุบุบบุุบบุกลมันนี่ล่ะคือมันตีกันถ้ามีหมาหมาเ่ามันตีหาเรื่องนี่่องไฟมันข้ายหนี้หมามันอาหารลาดินบุบบุบุบบุบบุบเพสองบาทัองบาทร้ายพักดูสักทั้งอยู่คนหลงกลแล้ว นั่นไห้มหาหยัดหยอกทางทั้นถึขึ้นนั่งภาวนาเนี่ยผมหัวคนนึ่งให้ใจคนหนึ่ก็จะหยอกก็นั่งภาวนาอยู่คนหนึ่งคนหนึ่เนื้อเนื้่างคุอบ้านทุท้องว่าง่องกนฟัวด้วยนึ่งให้ใจแล้วก็เฮ้ยละกินฟัวด้วยนั่งภาวนาเลยไปทีสองพักสามพางนี้เลยเงียบพอออกแบบดี่ภาวนาเลยมันไหว่าอีบังห้อยกันน่ะ ของตาาลอยแก่นแก่นเนยเียบันเพื่นกัใช่เอาไส่ที่มันไส่สายหรือมันไส่ข้อมงอเบิงเขาเบิงหอยหวยมันบมันพาดวาหอยมันเปิดพมีเพ่นตเอาหลังกันนั่งข้างกนอ้อมมังอ้อมมังอกางกุนนั่งทีรนทนคะ่นแล้วมันตีบุกบุมันตีฮาหมามาเรื่องี้หมาเ้าเลยเพอหมาเ้าเลยหัวหมาที่ใสเอาละบัน ชัดเยเอันนี้กินหมาข้างเขี้ยวกับเห็นการที่งานนงยังอย่นะสมมติว่าถางใหม่ถางอย่างนี้มาอย่างพนกมันเคยกินหมาเด้อมันต้องเหยยังหลอกคุณคุณเด้มันทา่ทาพาเห็นบใหม่บัวเบาบ้ า, าคุณคุเด้หมาเขาเล่นกักไปแล้วแล่กไปบาดเดียวไปเลย <c oughs> มันหลอกจันี่นแน่ของอันนี้งหลอกล่นได้มันมีใบยยที่เหยดตัว หลิ้นตื่นหรอ่อ่วงกแปกแฝกมันให้บวลินมัน่วงเนี้ยนี่นาตงหัน้วดช่วงทั้ง้งทางงี็ก่มันหลอกลิ้นทางเสือตะปูนี่ทางบา น, ออน้ อ, อนอ้อนลิ้นเนี้มันเลยโตมันยู่บอลกบังได้ดิีบ่บเห็นโตมันเลยเห็นทหาทรขีอยู่ในทะเนี่ลิ้นอยนแล้แวาท่วงก็แปกกแ กดมาซ่องนาสรงมายะข้อได้แต่ ง, งร้ายข้อดีวเดยวเสมอคุอึงมาเดียวก็ขาดแจกเลยบานเดียวเอาไปกินจ้อย <c oughs> นี่เป็นัตว์นี้มันมันหลอกลื่ธรรมดาไ่ได้กินมันหอกลื่นน้งเมย์เป็นสัตว์มันหลอกลื่ น, น, น, นข้อีเรื่องหลงกลเรืงว่ามันมีอุบายกินไปเนี่ครับ ตัวาตัว่นต้งเห็นนั่งห่างกันตัวท้าข้าปองตั้งโ่นมันต้องผกด้ทั้งนั้นตั้งเห็นนั่งห่งนี้เสีย ง, ง, ง, ง, ง, ล, ง, ย ง, งลิ่มมองห้างดอกผิดชอบบนว่างเหนียวดินกาแพง ให้แยงยิ่งกาะเกปะกาิ่งมันเข้าอยู่ไปตรงทางเกาะเอกาะกมันหลอกลิ่งเลยดิงมันแสดงว่ายิ่งมันเห็นแล้วแต่มันมันเห็นแบบนันทีแบบมันหลอกมื้งทก็เห e ็นแถวว่างๆนั่งยู่หางแถว่างให้แขยงยิ่งกาอกาะยง ทั้งทั้งเดียวพั้งเสียงบ้าบลุ่ยิ่เสียงเียโมบเบาไปแต่เขาเลยนันมันเห็นได้ด้วนั่นเขียเปียบมันได้ด้นั่นมันหลอกเหพราะว่านันปาะาะนันเห็นอะไรมันหึ่งหล่อหล่อทหนันหล่อช่วงช่วงที่แบบมันที่แยบไม่เห็นรอกทานม้งจาเราเป็นยังคือคือตัวมันแค่มันนิ่งให้รู้เลย มนมีทหารมันทหาย่ถึงความเร่อนนหรอก่นเราตอบถึงบ้ด้นึงแล้วมันยยยท่านเราห็นเตบืงตนนี่แล้วบง้าวมันนหังนนัมันือของตายอยวันอันนี้ก็ท่ทอเขาออกกันแล้วทีมันตกาะกัดู่สเท่ากับ่สนใจว่ามันห้องกันมาแล้วพักเพนพักเนามง่ บัตนาเนี่สนาเร่จโป้บเลยมันมันโดดเนเอารี่เงี้ยโป้บมันบอแแบ้บ่แแ้หงาแต่เฮ้ยบัรนาาน่ภาพวิ่ยังไงยไงว่าเคลื่อนตัวไ่ไม่มากินนิ้วถังจอมพวกข้อเลื่อยเห็นมันยิ่งมาตท่านเงินไมันทวระยะใกล้ๆมันยิ่งบัท่าน มันหักไปนี่จำปลอกนินวกับห่วยตายแล้วสั่งไะของตัวนิ้วนี่ยสั่งไปถดีมันเลยขัไปรลับจำปลอกทองเราไม่ได้กิ้มนิ้วมังก็ยังดูรหยังค อ, อพออย่างเฮ้ยร่างไม่ไม้ไเลยแค่นี่ก็เลยคอยรองห่างคนแล้วสั่งไปร่องห่างก็เลยพวกกล้าไปท้างล่นี้นั่ร่องห่างแล้วก็เลยคอยดอยัามีตั้งยืนมันกาลังหวงกล้ามยัง ม so ันกัดไปถึงเอตะกูกระซงนี้มันยังกัดเรื่กยเาเห็นหมือแสดงมันเห็นืึตายมืแล้วโอย่า้วุ้งงี้เขเยเียจะหานดิ๊ดิดดิหค่ตยหาน เขายื่นทำพกองนาทั้งบ้านชั้นแรกทัประคุณไปทั้งนั้นทำพะกองเพื่อทำเอียงตะเกียวก็ไน้ำมันทำพาลกลงทำตะเกีย ว, วนะ้นะ ย, ยุทอีเสือมันห้องหมดขึ้นงนเดอนเดที่องอ่ะน้องเอาห่มเอาหหน้มมาจุง ไต่ภาตื่นทำไปได้ส่วนมากเแล้วก็เอาหง่นลงไปคูนจนวัว ด, ดทีเสียงที่แรกเลย ท, ท, ที่เกียเคียวเ่ยเำลาว่แล้วเอาอุ่มเอาขึ้นมากเลยมันล่องหาคูกันทั้ ง, ง4กิโลไปไปถึงบางง้านเขา4กิโลนี่เข้าโว้นสมาศ จนมาตีขี้คือเนิ่นนมันจะเงีเยบเสียงเมันห้องนี้จนจะประมาณทักสามทุ่มจนกระทั่งตีขี้คือมันเที่ยวไ ป, ไปเถวบ้านใหญ่ไตุ่นแต่ไปทอบ้านเนี่ขึ้นมากค้อมันรอกหาคู ม, มือคู ม, มาหา น, นโอ้เสียงแหลมเ้ยเห็เนไหมเล่ามันอ้องใหันมันถึงอ้าวเสียงแหลมนิดอ้าว เฮ้ยเขียวอ่ะเหงื่อมันว so ัวนะนี่พวกผิวมัน no ี่บ่หรอเหงื่อวัวด้วยหรอนอนง่ายใกล้ๆกันหายขึ้นผ่องหนแต่แล้วบัวซ้าม้วยหรอกบบนี้ไะเรื่องทหามเลยนี่เขาบินกระบาดไปบ่หัมันก็ปุยดินแล้วเหนียวในผิวเป็นสายกระปุยดินเหนียวเป็นสายทักใส่กาม่าดั้งมาถึงปูมันดูปกติ้าดอก เงินเงี้ยมัมีเหลือเราไอ่ได้กระดานดแล้วคือว่าการดีดไปก่อนเป็นดูงั้นแล้วมเหมือนกเล่าเด็เนยังได้ได้มนเป็นเครื่องเตือนเป็นทําเยอื่เตือนเต ทีู่นที่ขนามันนัน่งใจไม่ได้นะมันตั้งเร่ทีดยมันตั้งนีมันเป็นสติ ต, ตอลอดนี่เราเห็นเลเองนี่มันตั้งค่ายทั้งกางากวันกลานพอนี่นั่นกัางวันมันก็มีอะไรมาได้หนึ่ป้าว่าน่ะ <c oughs> ยิงมันขึ้นตลอดมึงตั้งโอยนอนเนี่มีดเดียวขนาดบอกก็ว่านะแต่นหน้าผมมัน่ค่อย กิงขเข่าด้วยมันก็ยิงบนาะบอนน้อนด้เน่ยเอ่ยิงยังน้อตั้งตาดูมีน้องเขนเนี่ยก็ตีจามาศานี่แหล่ตีจามาศ่าซ้ำถีบ่พ่เนี่ย พอเอานสาวแล้วพวกกไปยูนน อ, อกวัดนู้นห้ทำร้านแหะเล่กๆยินน อ, อกวัดนี่ในป่าคนเดียวให้หมู่เพื่อนอยู่ข้างในแบก็ปยืนคนเดียวเนป่าก็าไฟไหว้หน้าเราด้ว ย, วยถ้าขำบุกปิ้นมันเนาะพ็ไหว้กันถ้ามีคนมเวียบก็เดินมีคน ไมได้ขึ้นตีนั่ือกันจัะเนอะไกันตานี่มันจะขึ้นตี เ, เลนเนยนั่งาตีเกที่สามเนี่ยเปนตนี่เอาเลยมีสามแตสามทตีเเนาะนึงตัวนั่นเดียวเนาะข้อแม้าจ้จัดเสียเลยตัวนั่นเดียวสามได้สามที่ีแค่ไนมันสาที่เอ็ีเ เก้าสิบสองพฤศจิกาตั้งเสียก็ห้าร้อยยี่สิบสามห้ร้อยิบสองเป็นยี่สิบปีพ้ายี่บสามพฤศจิกาห้ารยิบสามพฤศจิกานี่แต่เต็มเต็มยี่ปีแล้ว เนี่ยอาจารย์เนี่ยสบู่สบันจริงอยู่ตามป่ากันยังเล่าให้ฟังวิจิตรอาจย์เราท่านเลื่ะเจอหนีเจออะไรเ ส, ไ เ, เ, ไไไเสือก็คอยทํานามันไม่ใครไลยเจอ่ในเสือหนีสิว่าถ้าเจอมากัดคนเนี่ยเไปยู่ท้างบนนั่งหนีนั่ยุ่งบ้า น, น, น, นะ อ, อะไรสว่างปากมั่งจุดบอกเาเรียกสว่างจุู่เรื่องไปยือท่าน ราชบินทบานเขาเห็ดควันเขาเห็ดไม้อะไรอย่างท่านตแตกๆเขาเห็ดไม้อย่างนี้ว่เ า, เาเห็นไ ม, ออนม้ยั้งอะไรเงีเขาเห็ดมาเขือน้ำโพโปเป้ขายนี้มันได้ยินมันเกิดหลีกได้ท่าน่กตำเลยจ้ามันกัดเขาว่ามันหนีหลายหเห็ดคอเล็กๆก็ปางมากกันเหรอแต่เขาวิตรงนาเพึนมันล้ายป่านนี้นเสือตะกอนมีเสือ ไอบุกพบผู้บุกพ้นโอ้ยวิบ้านติหบือนพ้นไอ้เชื้ยาบติตั้งเกิดเดือนกูไปิ้ก็เข่ายังจินได้เข่าได้ดอกเอแทานชุบไม้ทนงานวจารอ์ให้ดีที่ดีหน่อยทำผู้บุกเบิกมาสมัยบัทนากครไงงานวิจารณ์เสาวจาร์มั่นบุกเบิกองเราเดิมนี้ใครใคก็รู้ไปที่ไหนก็ สมบูรณ์แล้วก็เรื่อมใสกรมมฐานก็มาฐา น, าฐานเลยที่นี่มันเลยอาหารไม่พ่วงกรนมาฐานตายวัตถุพ่วงตายหรูหราไปหมด น, นี่น้ำสันนี่ตู้เย็นตู้เย็นเน้ยวันเราท้าจะเอาได้เท่ า, ทาไหร่วะพามาพูดถึงเรื่องตู้เย็นนี้ คูเอยังหนักหนิผมเอามาทำไมเทวคดมาทำลายจระเข้มาเลยฟ <c oughs> าดนี่ลดดิลล ด, ดยันหนึ่งนี่ถวายถวาปาก็ป า, ปาว่าไม่ดีเลยนี่ไงกรมานลดด น, นี่เพิ่มเพิ่มเพื่อความพ้นทุกนันจะมาหายิง บุ่นวายกับสิ่งแบบนี้ึันเป็นของโลกโลกอยู่แล้วมันเป็นมีอย่างที่ไหนนแม่นั้นวัดนี้มันจะอะไรมันจะหรล้าเท่าวัดนี้เราจะเอาคำหนึงถึงเหตุถึงผลให้จุดไม่มีตัาอีรับแกลงๆจะเอาเท่ า, ทาไหร่ เ, ดด เ, เขาก็เคลียด์ได้หรอกคือเขาเขายืนหน้าไลายท่านให้ออกขึ้น กี่เราตามเขาผสนใจดีอยู่ครับคนใช้ที่เกีื่ิเกิดเกลื่อนล่ารลักษารหลักไงไว้ยิ่งเามอดฟังเนาะเพราะว่าคุณเอาของกว่าตามแล้วปากเขาแม่ละเขาบก็จะโทรทานวันไว้ก็ปากค้นได้เลยยิ่งกอาจก็ทำแล้วทำนึ่งันหันหนัมนั้นตามใจคนไม่เกลือนได้เลยเพราะว่านี่หนก็ตามถ้ามัน พัดกองและถ้ำเห ย, ยื่อย่างองไลายถ้ำเล่าไม่เห็นด้ยวยทั้งนั้นผล ม, มันทาทำเองยืนอยนนนนู่กันเป็นจำนวนมากความสามัคคีกันเป็นสิ่งสำคัญนะในเรื่องการละแค่ราคาสะเลาะว่าวแว้งกันนั่นน่ะให้ทราบว่า น, นั้นคือ กิเลศตัวยาบที่สุดภูมมามุ่งอัดมุ่งทำให้มีอย่างนี้ขึ้นมาไม่ได้อันไหนเป็นอัดเป็นทำอันไหนเป็นเหตุเป็นผลให้หยึดเอาตรงนั้นเอานั้นเป็นหลักใจยาวกิเลศออกมาอวดกันนะสิ่งนั้นเป็นเรื่องของกิเลศ ย, ยาบที่สุดเลยแสดงมาจากรายใดก็ตามแสดงว่ารายนั้นยาบมากมาขายความเร็วซ้ำจะของให้ย เห็นกัเห็นุวาการเห็นไม่ทส่วนอย่างนี้ทำความเ พ, มพียงานกันมึงนีนเป็นหลักใหญ่ทำทุกสิ่งทุกอย่า ง, างให้มีสติทำด้วยความตงใจเพื่อนไหลไปมามีไหนก็มี สติอยู่ภายในตัวเสมอเสมอพอเสร็จแล้วก็รีบเข้าประจำที่อย่างเจาของทำความเข้าเพียงเนีเ่นมาเที่ยวโอ้เอออยู่ตังครัวตางเพียงโดินับเหตุหาผลไม่ได้นาก็มาแต่เฉพาะการเวลาที่ควรมาเท่านั้นูอยู่ก็อยู่ที่หนึ่งก็อยู่อยู่ประกอบความเพียร น, นะปะกอบเราไม่เห็นอะไรยิ่งกว่าความเพียร น, นะ ถนี้เป็นสิ่งที่เรามุ่งอย่างยิ่งรับหมู่เพื่อนไว้เพื่ออนนี้เราไม่รับไว้เพื่อบำรุงบำเรอเราให้รับความสะดวกสบายเพราหมู่เพื่อนมีมากหรือประดับบารมีเราไม่เคยเนีเมดทรายหนึ่เราก็ไม่เคยมาคิดเลยเรื่องแบบนี้เราเป็นตนว่าขนาดน้อยไม่เคยสนใจกับเรื่องแบบนี้เลยมีหน้ามีตามีเพื่อนฟูงมี มาอยู่ด้วยหลายองค์มาบำยุงบำเลยให้รับความสะดวกสบายมีญาติดวงเข้ามาเคารพนับถือมีมากจะยิ่งคุมอกคุมใจโออาเรามีไม่ได้อย่างนั้นเราไม่มีเพราะฉะนนเราถึงกล้าพูดก้าดุคนในเมื่อผิดไม่ว่าชาติทัานวันน้นใดเราไม่เคยเจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นอุปรสรรคในการตะเกือนดุด่าว่ากล่าวเลยเพราะการตกเกียบดุด่าว่ากล่าวนี้เรา แสดงออกมาด้วยความเป็นธรรมเท่านั้นอย่างที่พูดตะกี้นี้แล้วเป็นแค่นาฏกาใหญ่โตเท่าไรเรายิ่งไม่รับนี้ใสยนั้นมาเนี่ยสังมานี่มาขวางหมู่เพื่อนขวางหมู่เพื่อนแล้วคืออะไรก็ขวางธรรมมันเองมันลําบากมันไม่ดนเ ุกันให้เบา อ, อกเบาใจนอกจากมันกดถ่วงกันลงไม่มีเจตนาก็ตามมันกดถ่วงได้เราจึงต้องระวังด้วยเห็นั้นวันนี้จึงไม่ค่อยมีพรราชการใหญ่ใหญ่หโตมาบวชใหเท่าไรยิ่งพิถีมานะความถือวงาถือตัวเป็นนิสัยสันดาน่มันต้องยิ่งใหญ่โตด้วยเหมือนกันนั่นแหละนำถึงที่มันขวางวาดัดขวางว า, ขวา ง, วาขวางหมู่บ้วนขวางอดัดขวาง เป็นรับแต่ละลายนี่ไล่เบี้ยกับทีนแหลกเขายัางอะไรพันเอกอชุระเหนื่อยนั่นเหมือนั้นเป็นต้นม่อขอทั้งละหนึ่งรับเป็นรับทีนี้ก่อนจะรับเอากันเต็มที่ไว้ก่อนมีเวลาจะบวชนบวชนั้นเวลามานี่จะเอาพันเอกอาชิระมาด้วยไหมหรือจะมาแต่พระอาชุระ ทั้งหมแล้วมาแต่พระอัสสุรั้นท่านเดชกาศินะทิ้งกรุงเทพอยามาอยาเอามานะเอามาแล้วเกิดเรื่องกันแล้วบอกมาเมาถึงปั๊บนี่ท่านเดกาศิลมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยหรือมาแต่พระอสุ ร, ส ร, ส ร, ส ร, สรหรือมาด้วกันทั้งสองโหยพระพระเดกาศินะ้หยุดกรุงเทพไม่มาด้วยอ้าวงั้นปฏิบัติไปคนดุดุไว้เลยแหละขู่ไว้เลยทําให้ผิดแล้วก็ไม่ว่าก็เอา การก้องหาของดีนี่นะแล้วไม่ได้พูดเพื่ออะไรทั้งนั้นนอกจากหลักธรรมโดยผิดแล้วก็ไม่ว่าแล้วเช่นหนูเอาอาชีพเรามาอยู่นี่ตลอดพรรษาเราเคยได้ดูสักคำให้แล้วม่เคยได้ดูก็ไม่ผิดดูอะไรแล้วก็ขูดเอาไว้เพราะที่เรียนมันออกช่องง่ายที่สุดจงต้องติดช่องมาไว้ก่อนหรืจะด็กก็นำมาพามาที่สี่ผ้าในนั้นได้ขูนขนาด น, นั้นเพราะไปพูดกันอยู่ข้อนแก่นก่นแลนะไม่เราไม่เคยเห็ น, หนีอาจารย์ตรงนี้ เออคืออายท่านว่างั้นสามีเออพ่อของเขาว่าเอออายท่านในนานทิจันเนี่ยไปพบกันคุยกันโอยท่านเอาอย่างนั้นจริงจริงแล้วไม่ว่าใครนะท่านเอาอย่างนั้นริงจริงเดี๋ยวามารู้เรื่องทีหลังเนียรู้เรื่องรู้ไปรู้กันแล้วแต่แล้วเหตุนั้นเรบรรมาเล่าเกี่ยนพระกันมาด้วยพระจอพระแจกันเป็อย่างนั้นมนใสิสัยของพระ ทกวั น, นี่เขาจบประแจงเขาจ่อเขาแฉกันมันความเ อ, อื้อเฟื้อมันกลายเป็นบ่อเขาไม่รู้ตัวบ่อของยศถาบรราศักดิ์ของสมบัติบริวารของโลกเขามันเป็ิสัยอะไรท่าอย่างนั้นทําเป็นของนิสัยอยู่แล้วไม่สนใจไปสนใจกับสิ่งอยงนั้นมันนิสัยอะไรซะอย่างนี้ไม่ได้ไม่เอาไม่เล่นด้วย อายในขาดประการไม่เด้่อหนึเราเกิดทิ้งที่สุดนเลยทาตายแล้วตายได้ด้วยเลยไม่เสียดายแหละขึ้นชัวราทำล้วยอมเลยเจะเรื่องอื่นเราไม่ยอมตายด้วยถ้าเป็นทำล้วยอม มีอะไรที่จะพูดกูหูเพื่อนฟังยังไมท่านปัญญาครับนเนา อ, อมีบ้างก็พูดสิเพื่อนอี้ก็เลยอ่ะเนาะ